ตอนนี้ตอนนี้ฟ้ากำลังสว่าง อ, อีกไม่นานก็เช้าอีกไม่กี่ชั่วโมงพวกเราก็จ ะ, ะไปทำสิ่งที่มีคุณค่ามีความสำคัญนั่นคือช่วยฟื้นฟูฝ่าคูหลง อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญเหมือนกันนะเมื่อวานนี้หลายคนก็มาทำบุญโนะดยการเวียนเทียนบางก็ไปถวายสังฆทานใส่บาตรพระวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะทำก็ถือว่าเป็นการทำบุญ ที่สำคัญเหมือนกันเราไม่ได้มาทำบุญกับพระนะแต่เราจะมาทำบุญกับธรรมชาติเพื่อช่วยฟื้นฟูจะช่วยเยียวยาป่าพื้นหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นป่าพื้นสำคัญเป็นป่าพื้นเล็กๆนะแต่ว่า สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันมีความหมายมากในรอบเดือนที่ผ่านมาเรียกว่าสามสิบวันที่ผ่านมานี่เป็นการรวมพลครั้งที่สองรวมพลครั้งแรกผู้คนมาเพื่อช่วยกันดับไฟ เมื่อกลางเดือนที่แล้วไฟน้ำใจโหมไหมภูหลงอย่างที่เราทั้งหลายทราบกันมันเป็นการเผาผลานที่รุนแรงที่สุดของปอศาสตร์ภูหลงเลยก็ว่าได้เพราะว่าพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายมีมากเป็นพันพันไร่ ประมาณว่าสองในสามของภูหลงอันนี้เป็นอย่างน้อยนะภูหลองก็มีเนื้อที่ประมาณสามพันกะไร่สองในสามก็สองพันกะไร่ก็แล้วไม่นับพื้นที่ข้างเคียงซึ่งอยู่ยติดกับภูหลองซึ่งวันนี้เราก็จะไปเช่นเดียวกันเรียกวภูสามชั้นวันนี้เราจะไปช่วยกันฟื้นฟูป่าทั้งภูหลองแล้วก็ภูสามชั้นที่ติดกันแต่ภูหลองสําคัญเพราะว่าว่าเป็น ต้นน้ำชั้นหนึ่งเองปูสามชั้นนี่เมืว่าหมดสภาพป่าไปมากแล้วจายเป็นพื้นที่ป่าเสือ่อมโทรมส่วนปูหลงนี่ก็ยังมีความเป็นป่าอยู่เยอะแต่ก็ถูกทำลายไปไม่ใช่น้อยนะจากเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วแล้วตอนนั้นก็มีผู้คนมาช่วยกันนะดับไฟกัน อย่างเรียกว่านายก้่อมมากดับกันทั้งกลางวันและกลางคืนนะผลัดกันช่วยกันทำก็ช่วยทำให้ความเสียหายนะมันไม่ขยายบานปลายแต่วันนี้เนี่ยเราก็มารวมพลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการรวมพลที่เรียกว่า ใหญ่กว่าครั้งที่แล้วคราวนี้ไม่ใช่มาดับไฟแต่เพื่อจะมาเยียวยามาช่วยเยียวยาป่าพืชนี้นะให้กลับมาฟื้นฟูโดยเร็วเดือนที่แล้วนี่เราต้องเจอกับแดดที่แรงกล้าต้องเจอกับไฟที่โหมแรงแต่วันนี้นะ ธรรมชาติกลเปลี่ยนไปแทนที่จะเจอไฟเราอาจจะเจอฝนนะหรือกำลังเจออยู่แล้วความชุ่มชื่นนะที่ได้เกิดขึ้นนะกับที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนและ อ, อาจจะต่อไปจนถึงตลอดวันก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็น สิ่งที่จะอำนวยให้การมาทาบุญของเราในวันนี้นะเรียกว่าลม่ใช้แพ่ชุ่มชื่นใจอย่างเดียวแต่จะชุ่มชื่นกายด้วยจริงๆแล้วเนี่ยป่าเนี่ยเขาสามารถจะฟื้นฟูได้ด้วยตัวเองพอเพียงแต่เราไม่ไปยุ่งกับเขา ได้ไปทำอะไรเขาเขาก็จะฟื้นฟูได้ภายในเวลาห้าปีสิบปีป่าพูหลงก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยการฟื้นฟูโดยธรรมชาติหรือการฟื้นฟูตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่ามีอุปสรรคมีอันตรายเข้ามาแผ่วพานอยู่ประจำโดยเพาะไฟ ถ้าไม่มีไฟเข้ามาในภูลงเนี่ยนะภายในห้าปีสิบปีก็จะร่มครึ้มนะพื้นที่สีเขียวก็จะกลับคืนมาแล้วก็สิงสารสัตว์นะก็จะกลับมาเหมือนกันอย่างสุขกโตวัดป่าสุโกโตเนี่ยหลังจากที่สามารถควบคุมไฟไม่ให้เข้ามาได้ ด้วยการปลูกะด้วยการสร้างกำแพงร้อมเลยลอกพื้นที่500ห้าร้อยไร่ไฟก็เข้ามาน้อยมากเข้ามาก็สามารถที่จะควบคุมได้ในเวลาไม่นานในเดืยนนี้ในวัดป่าสุโกโตนะก็เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวร่มครึ้มด้วยต้นไม้ที่สูงนะหลายเมตร เราเพียงไปปลูกแล้วให้เขาเติบโตเองเพียงแต่ป้องกันแม่มีไฟแต่ที่นี่เนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างกำแพงล้อมรอบได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นต้นน้ำชั้นหนึ่งเองเป็นพืชที่อนุรักษ์เราจะไปสร้างอะไร ให้มันผิดธรรมชาติก็ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นการช่วยธรรมชาติก็ตางอีกทั้งภูมิประเทศก็ยากมากเพราะว่ามันเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องอาศัยการป้องกันไฟด้วยวิธีอื่นเช่นมีทำแนวกันไฟ ทำแนวการไฟก็หลายชั้นอยู่มีคนลาดตะเวน mm. เกิดประจำ mm. ก็ช่วยทำให้ mm. ไม่มีไฟเข้ามาในภูหลงแรงๆเนี่ยติดต่อกันมาถึงสิบสองปี mm. ก่อนหน้า น, นั้นเนี่ยไฟมันลามเข้ามาจนถึงใกล้กุฏิพระแต่แล้วยังนั้นก็ แทบไม่มาไม่เกิดขึ้นอีกเลยทรายก็จะลามมาจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาในเขตวัดก็ดักได้ทันเสียหายก็ประมาณแค่ระดับสิบไร่ยี่สิบไร่หรือมากจริงๆก็เกียเหยียบร้อยนะแต่ว่ามันก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าทั้งหมดสามพันกว่าไร่แต่ว่าเมื่อ กลางเดือนเมษานนี้เนี่ยปกติไฟไหม้ให ญ, ใหญ่เดือนเมษามันไม่มีนะเพราะว่าพอถึงเดือนเมษฝนก็ตกแต่ตมาดักไฟนี่ไม่เคยดักไฟจนถึงเดือนเมษาเลยอย่างบ้าก็ต้นเดือนเมษานึงสองสาเสร็จแล้วก็ฝนก็ตกมาโดยพอช่วงสงกรานก็เป็ น, น, าานการว่างานป้องกันไฟป่าก็เป็นการยุติ สำหรับปีนั้นแต่ปีนี้มันอย่างที่เราทราบมันอากาศที่กปลี่นมากผลไม่ตกเลยเพราะนั้นเนี่ยพอมีการมาจุดมันก็จะลุ ก, กไหม้ด้อย่างรวดเร็วยิ่งมาจุดตรงไข่แดงก็คือตรงกลางวัดซึ่งเข้าถึงยากมันก็ลามไปทั่วอย่างรวดเร็วก็เลยใช้บุญที่ยังได้อาศัยพวกเราหลายๆคนคนเดินร้อยมาช่วยกันดับ อย่างที่ว่าทั้งกลางวกลางคืนก็ทําให้ใช้เวลาสินะบวันนะก็เป็นการยุติได้ไฟไม่ลุกลางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเราก็มีที่ที่ต้องฟื้นฟูป่ากันใหม่ฟื้นฟูป่าก็โดยการที่จะมาระดมคนมาปลูกป่ากันอีกครั้งไฟไม้ได้นะเราก็ ฟื้นฟูป่าได้ไม่มีความว่าท้อถอยเพราะนี่ก็เป็นธรรมดาเราป้องการรักษาป่าไม่ให้มีไฟเข้ามาได้สิบกว่าปีมันก็มีบ้างที่ไฟไฟมันก็สามารถจะโผล่เข้ามาได้ก็เหมือนการเล่นกีฬานะก็มีแพ้มีชน ะ, นะชนะมาสิบสองปีนะก็ถ้าจะแพ้บ้างก็เป็นธรรมดา แต่แพ้แล้วก็ไม่ท้อเราก็เริ่มต้นกันใหม่ถึงเม้วงานมันจะใหญ่กว่าเดิมปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ย่านี่มันเกิดขึ้นทั่วไปหมดนะย่านี่ก็มีประโยชน์นะมันก็เป็นความพยายามของป่าในการฟื้นฟูตัวเองมีย่าแล้วต่อไปก็จะมีไม้เล็กๆตามมา อะไรพวกนี้เป็นพวกเบิกทางให้กับไม้ใหญ่ถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีไฟเข้ามาไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในที่สุดภายในสิบปีก็จะมีไม้ใหญ่แต่ปัญหาคือว่าการฟื้นฟูธรรมชาติเกิดขึ้นไม่ได้แล้วแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนมาตุดทุกปียาที่ขึ้นถ้าเราปล่อยไว้เนื้อที่เป็นพันพันไร่เนี่ยก็หมายความว่า มันจะมีไฟรุนแรงขึ้นในปีหน้าแล้วมันก็จะทำลายป่าป่าดิบน้าเที่ยงลงเหลืออยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องรีบเร่งด่วนรีบเร่งที่จะต้องทำ <S <S ก็คือการพยายามควบคุมยญ้าให้ได้คงไม่สามารถจะควบคุมได้อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างน้อยถ้า ควบคุมได้ระดับหนึ่งนะมันก็ช่วยทำให้การที่จะเกิดไฟไหม้ในปีต่อไปซึ่งคาดว่าจะรุนแรงความรุนแรงน่ก็จะน้อยลงงนั้นก่อนที่เราจะปลูกป่ากันในเดือนหน้ามีโปรแกรมปลูกป่ากันตลอดเลยนะตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาแต่ระหว่างนี้เนี่ยขณะที่ ผลฟ้ายังไม่อำนวยไม่รู้จะตกเมื่อไรสิ่งที่เราต้องรีบทง ก, ก็คือการควบคุมหญ้าเพราะชะน้นจึงเกิดมีงานวันนี้ขึ้นมารวมพลนะเพื่อหย่อดถั่วทำไมต้องใช้ถั่วเพราะว่าถั่วเนี่ยมีความสามารถที่จะคุมหญ้าหรือว่าแย่งชิงพื้นที่จากหญ้าได้ในเวลาที่รถดเร็วมีต้นไม้หลายชนิดที่สามารถจะทาให้หญ้านะ ล่าถอยไปแต่ใช้เวลานานเช่นกระถินทั้งหลายเนี่อาจจะใช้เวลาปีสองปีนะักกว่าหญ้าจะหมดแต่เรารออย่างนั้นไม่ได้แม้เราต้องก็เลยคิดว่าการที่จะใช้ถัว่วมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าถั่วนี่โตเร็วแล้วก็ถั่วบางชนิดก็สามารถจะเลื้อยสามารถจะแผ่ไปในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็อยู่ได้นาน และเมื่อเวลาตายนะเขาก็กลายเขาก็ยอดสลายเร็วนะไม่คาเป็นเชื้อเหมือนหญ้าแห้งนะที่มาทำให้ไฟเนี่ยลุกได้ง่ายในปีต่อไปและหญ้าที่เอถั่วที่สลายตัวไปเนี่ยก็ช่วยบำรุงดินนะเป็นประโยชน์สำหรับการปลูกป่านะที่เราจ ะ, ะลงมือทำานะในเดือนหน้า ที่จริงความคิดเรื่องการการใช้ทั่วเนี้คลุมหญ้าอันนี้ก็มีคนทากันมาเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทมกันในพื้นที่ไม่มากนะสิบยี่สิบไรนะ่แต่ละนี่เราจะทำในพื้นที่ที่กว้างนะซึ่งก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะได้ผลหรือเปล่า แต่ที่เราต้องทําเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราปลูกป่าเนี่ยได้อย่างมากก็สี่สิบห้าสิบไร่ต้นไม้ไร่หนึ่งก็ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยต้นสี่สิบห้าสิบไร่นี้ก็ถือว่าเยอะมากนะสองหมื่นสองหมื่นต้นซึ่งปกติเราเราทําไม่เป็นขนาดนั้นหรอกนะเราปลูกป่าปีหนึ่งก็ประมาณหมืน่นอย่างปืนกระต้นเป็นอย่างมากข้อคุณพื้นที่ประมาณสิบยี่สบหรือสาสิบ ไร่ไม่เกิน50ไร่แต่ว่าพื้นที่ป่าอีก 2,000 ไร่ที่มาถูกไฟเผาผลาญไปเนี่ยเราจะปล่อยว่าอย่างนั้นให้ยากขึ้นแล้วกลายเป็นเชื้อไฟต่อไฟก็ไม่น่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในขาะที่เราปลูกป่าในปีนี้50ไร่เราก็ต้องหาทางนะ ควบคุมหญ้าในพื้นที่ป่า 2,000 กว่าไร่ให้ได้และนั่นแหละก็เพรเห็นนี่แหละนะจึงเป็นเหตุให้พวกเราต้องขอความร่วมมือจากพวกเรานะมาช่วยกันหยอดถั่วให้ทั่วคูเลยพื้นที่ 2,000 กว่าไร่ประมาณ500ไร่นะสหระคนนะ 4-500 คนนะก็คงจะทําเสร็จได้ภายในเวลา 1, วันสองวันะถ้าเราตั้งใจการทำนะ ที่จริงอาจจะทําได้เร็วกว่านั้นนะแต่ถ้าเกิดเราทําอย่างประนีทําอย่างใส่ใจไม่ เ, เร่งรีบนะมันก็จะได้ผลมากถนะั่วที่เราได้มานี้เนี่ยนะก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้คนมากมายแล้วก็มีการเลือกเฟ้นพยายามเลือกเฟ้นถั่วนะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ โดยเพราะถั่วที่เป็นถั่วพื้นทิ่นหัวนางแดงก็ดีแมะแหก็ดีพอเทืองก็ดีนะซร่งเราเนี้ยเราก็เลือกเฟ้นกันมากตัวนางแดงก็หายากนะแต่ว่าก็มีคนมาบริจาคให้มากมายพอที่จะปลูกได้ทั่วทั้งป่าทั่วทั้งปูแต่ทั้งนี้ก็ขึน้นอยู่กับความตั้งใจของเราด้วยนะถ้าเราปลูกอย่างใส่ใจไม่เร่งรีบนะไม่แข่งกัน ค่อยๆทำไปนะก็จะได้ผลมากแล้วก็จะเห็นผลในเวลาไม่นานการมาของพวกเรานะให้ถือว่าเรามาเป็นนาคตุกกะเรามาเป็นผู้เยี่ยมเยือนเรามาเป็นผู้ช่วยเยียวยานะก็ขอให้เรา เมื่อเราไปนะไปปูห ล, ลงไปปูสามชั้นในเช้านี้นะก็ขอให้เราไปด้วยท่าทีที่อ่อนโย น, นอ่อนโยนแต่ธรรมชาติตอนนี้ต้นไม้เขาพยายามฟื้นฟื้นตัวอยู่เยอะเลยมีต้นเล็กๆน้อยๆเขาก็พยายามที่จ ะ, ะโตขึ้นมาพยายามแทงยอดขึ้นมาส่วนต้นไม้ที่ถูกไฟ พขก็เริ่มระบาดใบนะในน้อยบางทีก็มีใบเล็กๆเนี่ยโผล่ที่โคนต้นอันนี้เป็นความพยายามแต่ก็เป็นความดิ้นรนกระเสือกกระสนของต้นไม้ที่เขาจะอยู่รอดให้ได้ในเวลาเราเดินเข้าไปในป่าแต่ที่เราจะหยอดถั่วเนี่ยก็ให้เราระมัดระวังนะช่วยให้ต้นเล็กต้นน้อยเหล่านั้นเนี่ยเขาได้อยู่รอด เพื่อช่วยนำความอุดมชุ่มชื้นกลับคืนสู่พื้นป่าความอ่อนโยนของเราในฐานะผู้เยี่ยมเยือนนอกจากจะทำได้ด้วยการใส่ใจกับการย่างเหยียบใส่ใจกับการปลูกยอดทัวแล้วเนี่ย ก็อีกอย่างที่เราทำได้คือช่วยทำให้ขยะหรือว่ามลภาวะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดหรือว่าถ้าเป็นศูนย์ได้ยิ่งดีเราไปเมื่อเราไปแล้วเรากลับมาเราไม่ทิ้งอะไรไว้ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นขยะถุงพลาสติกนะหรือขวดน้ำนะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ ป่าเขานะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็จเจริญงอกงามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจนะเอาไวนะ้เพราะว่าการมาปลูกป่าของเราด้วยการยอดทัวร์มันมีความหมายต่อธรรมชาติมากพวกเรามาจากหลายที่หลายทางนะแต่ทุกคนเนี่ยต่างก็รู้นะว่าเรามา ที่นี่เพื่ออะไรเรามีจุดหมายเดียวกันนะภารกิจของเราในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะแตกต่างจากที่ได้ทำเมื่อเดือนที่แล้วนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเรามาด้วยน้ำใจนะและน้ำใจของเราเนี่ยนะมันจะจะมีความสำคัญนะต่อการฟื้นฟูป่ามาก และป่าที่ฟื้นฟูเนี่ยนะก็จะมาช่วยในการบำรุงน้ำใจบำรุงจิตใจของผู้คนป่าเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ให้น้ำนะให้ออกซิเจนหรือว่าให้ปัจจัยสีเท่านั้นนะป่านี่มันยังมีความหมายต่อจิตใจด้วยเมื่อเราได้อยู่ใกล้ป่านะจิตใจเราก็จะพอสงบ สิ่งดีๆในจิตใจของเราก็จะงอกนานงามขึ้นไม่ใช่แค่ความโสดอย่างเดียวนะแต่รวมถึงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ก็พบว่าเนี่ยคนเราถ้าเราได้มาอยู่ใกล้ป่าได้อยู่ใกล้ธรรมชาติได้อยู่ใกลรร้ใกล้ ก, ลกับพื้นที่สีเขียวเนี่ยความเมตตากรุณาก็จะเกิดขึ้นความสงบความผ่อนคลายก็จะตามมาและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลดีต่อสุขภาพของเรา และมีผลดีต่อการทำให้ติดใจเจริญงอกงามเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันวิสาขาบูชานะหลายท่านก็รู้นะว่ามันก็คือวันที่พูะเจ้าเนี่ยประสูตตัสรุและประนินญิพานตอนที่พูะเจ้าเนี่ยจะตัสรุเนี่ยนะพระองค์ทำความเพียรอย่างเต็มที่ แต่นอกจากการที่พระองค์ทำความเพียรแล้วเนี่ยความสำเร็จในการบาเพ็ญเพียรของพระองค์เกิดขึ้นได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมตอนที่พระเจ้าเนี่ยมาแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมหลังจากที่พบว่าวิธีการต่างๆ ที่พระองค์ได้ทำมาเนี่ยมันล้มเหลวพระองค์ก็เริ่มคิดถึงการหาวิธีกางตัวเองและสิ่งแรกที่พระองค์ทำมคือหาสถานที่ที่จะเหมาะกับการบรรเลงเพียนแล้วก็ได้ไปพบนะสถานที่แห่งหนึ่งนะชื่อว่าอุรนะุเวลาที่เราจำกนะันได้อุรุเวลาเส น, านิคมเนี่ยตอนที่พระองค์ไปถึงที่นั้นเนี่ยนะริมฝั่งแม่น้ำมิรัญชลาเนี่ยพระองค์เห็นสถานที่งดงามมาก ว่าพระงได้ได้กรับในเวลาต่อมาว่าเนี่ยใจพูดถึงสถานที่แห่งนี้นะว่าท่าทีทีท่แห่งนี้เนี่ยนะเป็นที่รมณีหนอหมู่ไม้ไายสนร่มรื่นน่าชื่นบานอีกทั้งยังมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสเย็นชื่นใจ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการบำเพ็ญเพียร เ, เราจะนั่งดูหน้าสถานที่นี้และตั้งใจนะว่าที่นี่แหละนะเราจะบำเพ็ญเพียรแล้วพระองค์ก็ตรัสรู้ก็สัมมาสัมพุทธิญาณในวันนั้นนะให้เวลาเรานึกเรารึกนึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากเราลึกถึง ความเพียรพ ย, ยายามของพระองค์แล้วเนี่ยก็ขอให้เราตระหนักว่าคุณอุปการอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการตัดสูุก็คือธรรมชาติอันสงบอันเป็นลมมณียสถานแล้วเราเป็นนี่บุญคุณธรรมชาตินะเพราะว่าธรรมชาติที่ตำบลอุรุเวลาได้มีส่วนทําให้พระเจ้าตัดสรู้แล้วก็ทําให้เราได้ ได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้ศึกษาธรรมเราเลือกถึงพระเจ้า ก, ก็ขอเราเลึกถึงบุญคุณของธรรมชาตินะที่มีส่วนในการทำให้พระองค์ตัดสร้และการที่เรานะมาช่วยนะฟื้น ฟ, น ฟ, นฟนูป่าอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการมาตอบแทนบุญคุณของธรรมชาตนะิที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ทรงบำ เ, เพ็ญเทียน สืบต่อเรื่อยมาเราเป็นน่บูรคุณธรรมชาติมากแล้วก็เชื่อว่านี่คือเหตุผลที่หลายคนเนี่ยมาที่นี่นะทั้งที่หลายคนไม่เคยรู้จกักคูหลงไม่เคยกินน้ำไม่เคยใช้น้ำจากคูหลงแต่ว่าก็คงจะเห็นคุณค่าของธรรมชาติ และเมื่อผู้หลงเดือดร้อนนะก็ช่วยกันเดินทางกันมานะอันนี้ก็เป็นที่นะสําหรับชาวบ้านแล้วก็ชาววัดนะทั้งสามวัดแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็ซาบซึ้งใจมากนะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามาทําวันนี้นะก็จะทําให้เราเกิดกําลังใจในการที่จะช่วยกันฟื้นฟูรธรรมชาติ ในที่อื่นๆ อ, อีกนะซึ่งกาลังเดือดร้อนนะกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเราอาจจะต้องการยิ่งกว่าที่นี่ในซ้ำเนะพราะที่นี่ยังมีป่าลงเหลืออยู่พอสมควรแต่หลายแห่งมีป่าหมดสภาพไปแล้วแต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะฟื้นฟูขึ้นมาเพราะพื้นดินนั้นมีความสามารถในการเยียวยาตนอย่างสูงถึงแม้ป่าหลายแห่งจะถูกทาลายแต่ก็ไม่ เหลือวิสัยที่เราจะฟื้นฟูก็หวังว่าที่นี่จะเป็นจุดที่จะช่วยทําให้หลายท่านได้เกิดกําลังใจและเกิดความมุ่งมั่นในการที่จะฟื้นฟูตป่าต่อไปพอเช้านี้ก็ก็จะกล่าวนะักสันสันสนิก่อนหลังจากนี้ต่อไปก็จะมีการพูดในเรื่องรายละเอียดของการของกิจกรรมภารกิจของเราในวันนี้ว่าเราจะไปอย่างไรเราจะต้องทําอะไรบ้าง และเราจะหยอดทัวร์กันอย่างไรนะถึงจะเกิดผลดีที่สุดอ้าวพระเชิญ